การภานจริงมันไม่ได้ยากอะไรหรอกยากเพราะเราคิดมากไปมันเป็นการเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ใช่ยากอะไรกายเราก็มีอยู่แล้วนะจิตใจเราก็มีอยู่แล้วแล้วสนใจมันหน่อยคอยใส่ใจคอยสนใจในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกได้ทุกคนอยู่แล้วนี่คนก็แค่ละเลยไม่สนใจมันหมดแต่สนใจของนอกหลวงปู่ดูนบอกออกนอกออกนอกคือสนใจอายตนะภายนอกนะสนใจรูปข้างนอกไม่สนใจตาสนใจเสียงไม่สนใจหู สนใจทามารมณ์เรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งไม่สนใจจิตใจตนเองหรือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ใจก็ไม่สนใจม่อแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภา ย, ภายนอกอยู่ยังไปเห็นของอยากได้ไม่ยอมดูว่าใจกำลังอยากม่วแต่ดูของ เห็นสาวชอบเขาอยากดูเขาั่แต่ดูเขาไม่ดูใจว่ากาลังชอบเขาอะไรง่ายๆแค่นี้เองเราล้าเลยที่จะรู้ตัวเองถ้าเราคอยรู้ตัวเองบ่อยๆมันจะเห็นความจริงของตัวเราเองเหมือนถ้าเราปฏิบัติทำนะถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจตัวเองประจักษ์ในตัวเองว่าจริงๆตัวเราเป็นยังไง มันมีนักจิตวิทยาขโบราณนะคร่ำคลึเลยชื่ออิตามัสโลแกบอกไว้เลยมนุษย์มันมีความต้องการความต้องการขั้นสูงสุดเลยอะต้องการประจักรูร้จักตัวเองต้องการรู้จักตัวเองค้นพบตัวเองอย่างพวกเราตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรในชีวิต นักจิตวิญญาณจะมาได้แค่นั้นแหละเกอกระทั่งรู้จักแล้วว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนี้มีเป้าหมายขึ้นมามีความเป็นการสนองความต้องการชั้นสูงละนีรู้จักตัวเองพระพุทธเจ้ารู้จักลึกซึ้งกว่านั้นอีกะรู้จักว่าตัวเองไม่มีมันลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะนี่เรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจบ่อย วันหนึ่งจะรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้นเป็นของโลกมันเป็นสมบัติของโลกนะเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวร่างกายก็เป็นาธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟาธาตุลมตั้งอยู่ในอากาศสาธาติคือสเปซตั้งอยู่ในอากาศสาธาติอากาศสาธาตนะิไม่ใช่แปลว่าแอร์นะไม่ใช่อากาศนะคือสเปซ เนวัตถุรู ป, ปรธรรมก็เป็นแค่าธาตุธาตุดินมันก็เป็นของโลกอยู่อย่างนี้มีมาก่อนเราซี้าธาตุน้ําธาตุลมาธาตุไฟอากาศาธาตุนี้มีมาก่อนเรายืมเพราะมาใช้ยืมจากาธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์ถัดจากนั้นก็มาอาศัยาธาตุต่างๆอาหารน้ําอากาศอะไรเลี้ยงอยตัวใหญ่ขึ้นมาแต่ไปตัวนี้ก็แตก ธาตุก็คืนไปสู่ความเป็นธาตุเรายืมมาใช้ชั่วคราวจิตใจก็เป็นธาตุอันหนึ่งชื่อวิญญาณธาตุเงินนธาตุเลยมีหกธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุก็วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุชื่อท่านบอกว่าเป็นธาตุนะเป็นธาตุไม่มีเจ้าของหรอกมันเป็นธาตุรู้ แต่ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นนะมันเป็นความรู้ผิดมันถูกปลูกฝังถูกสั่งสอนมาตอลอดเวลาว่าตัวเรามีอยู่จริงๆริงพอเราเกิดมานะเราก็ถูกสอนเรามีพ่อเรามีแม่มีนะแต่มีโดยสมมุติเป็นความจริงโดยสมมุติในทางปรมนะาจารย์ก็เป็นแต่ธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณ แต่โดยสมมุติก็มีพ่อมีแม่มีตัวเรามีครอบครัวของเราพี่น้องเรามีบ้านเราแต่ก็มีทรัพย์สินของเรามีเพื่อนของเรามีหน้าที่การงานตำแหน่งของเรามีตัวเราแล้วก็ของเราขยายเอาไปได้ยิ่งได้มากยิ่งดีถือว่าดีเพราะโดยนิยมของโลกยิ่งมีมากยิ่งดี นี่เราถูกปลูกฝังมานี่พ่อนี่แม่เป็นการย้ำพ่อกับแม่พ่อแม่ของใครก็ของเราสุดท้ายมันลงมาที่ตัวเรามีจริงๆนี่นามสกุลเราเป็นการย้ำว่าเรามีจริงๆมันก็มีแต่มันมีโดยสมมุติเราไม่เข้าใจเราคิดว่าเป็นของจริงเพราะนั้นเรามาหัดปฏิบัติธรรมในที่สุดเราเข้าใจความจริงสองชนิดความจริงแท้ความจริงโดยปรมัิต์ มันก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณความจริงโดยสมมุตินะก็มีตัวเรามีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีครอบครัวมีเพื่อนมีหน้าที่การงานมีชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นนามธรรมใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าชื่อเสียงของเรารู้สึกไหมถามว่าชื่อเสียงอยู่ตรงไหนจับมาใส่ขวดไว้ได้ไหมว่าจับมาไม่ได้ แต่มันก็ยังอุตสา์ไปเอาของซึ่งมันไม่มีจริงๆนะมาว่ามันมีเราปฏิบัติธรรมนี่เราก็จะเข้าใจความจริงทั้งสองชนิดรู้ว่าความจริงก็คือความจริงนั่นแหละแต่อันหนึ่งเป็นความจริงแท้ความจริงโดยปรมัติ์อีกอันหนึ่งเป็นความจริงโดยสมมติสมมติก็เป็นความจริงเรียกว่าสมมุติสัจจะเพระนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธสมมติ ไม่ได้ปฏิเสธว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีการปฏิเสธกระทั่งสมมุติเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนัตถิกาทิฏฐิอะไรๆก็ไม่มีป เ, มม เ, ปมมมเป็นการปฏิเสธสมมุติสมมุติเป็นความจริงแต่เป็นความจริงโดยสมมุติไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่มีโดยสมมติ เมื่อเราเข้าใจความจริงทั้งสองชนิดนะเมื่อเราเข้าใจความจริงในด้านปรมัตเิเราก็จะไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมในธาตุในขันธ์ถ้าพูดในเชิงของธาตุก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเราจะไม่ถือในธาตุนี้พูดในมุมของขันธ์เราก็จะไม่ยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุนั้นก็ประกอบขึ้นมาเป็นเราขันธ์นั้นประกอบขึ้นมาเป็นเรา นะจะแยกในมุมของาธาตุก็ได้มุมของขันก็ได้นะอย่างจะบอกว่าตัวเราประกอบด้วยรูปเบทนาสัญญาสังขารก็พูดได้วิญญาณด้วยนะจะพูดว่าสิ่งที่ประกอบเป็นเราก็คือาธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนะวิญญาณก็ไดนะ้ก็ได้เหมือนกัน พอเข้าใจความจริงของปรมัติจิต<ม>จะคลายความหลงผิดว่ามีตัวตนที่แท้จริงจะรู้เลยว่ามันมีที่มีโดยสมมุติแต่ว่าไม่มีอย่างแท้จริงถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งถึงจิตสุดในปรมัติก็จะหมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจในธาตุในขันในอายะตนะแยกเป็นธาตุก็ได้แยกเป็นขันก็ได้ตัวเราเนี่ย แยกเป็นอายตนะก็ได้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นส่วนของรูปนะถ้าประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนะใจก็คือตัววิญญาณธาตนะุแล้วแต่จะยักย้ายจำแนกว่าจจจำแนกในแง่มุมของขันของธาตุของอายตนะก็ได้ ย่อลงมาก็เป็นแค่รูปธรรมกับ น, นามธรรมาแล้วเข้าใจความจริงสุดท้ายจะหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมาเมื่อไม่ยึดในรูปในนามนจิต จ, จะได้สัมผัส พ, พระนิพพานนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่ภาวะอุดมคติอย่าลืมว่าพระนิพพานเป็นยูโทเปียนะเป็นสภาวะอุดมคติไม่ใช่นิพพานเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีอยู่จริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละ แต่จิตที่ไม่มีคุณภาพนะั้นไม่เห็นเองเหมือนเราตามืดตามัวช้างอยู่หน้าเรานี้แท้ๆนะจะเดินชนช้างอยื่ยังไม่เห็นเลยกนะ็ตาไม่ดีหรือมันมืดตื้อๆนะช้างอยู่ข้างหน้าก็ไม่เห็นจะเดินชนช้างก็ยังไม่เห็นพระนิพพานานี้เหมือนช้างนะโตกว่าช้างอีกก็นะเต็มโลกกับธาตุอยู่ต่อหน้าตานิ่งแต่ไม่เห็นเพราะจิตไม่มีคุณภาพเรียกว่าไม่มีตา ไม่มีธรรมจักสุไม่มีตาที่จะเห็นธรรมธรรมาธาตุเรามาเรียนรู้เรื่อยๆไปนะจนเข้าใจความจริงของรูปธรรมานามธรรมาจะหมดความยึดถือเราจะแจ้งพระนิพพานขึ้นมาไม่ใช่ทมนิพพานให้เกิดนิพพานเป็นภาวะซึ่งไม่เหมือนรูปนามรูปนามเป็นสภาวะที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้พระนิพพานไม่มีเหตุให้เกิด เงื่อพร้อมนี้ผ่านไม่มีการดับเพราะไม่มีการเกิดสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าเราเข้าถึงอมาตะธาตุอมาตะธรรมนี้แล้วจิตใจจะมีความสุขที่สุดเลยมันมีที่พึ่งที่อาศัยที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตทรงพระนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีความทุกข์ใดๆจะเข้ามาครอบงำจิตใจได้อีกแล้ว มารทั้งห้ามารมีหชนิดทันทีที่เราประจักษ์แจ้งพระนิพพานเต็มภูมิมารบางชนิดตายคาที่เลยมารคือกิเลสนี่ตายคาที่เลยมารคืออภพิสังขารความปลุงของจิตนี่ตายคาที่เลยส่วนขันธมารยังมีอยู่ถามว่าพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่พ้นจากมารไหม พ้นจากมารบางอย่างไม่พ้นจากมานบางอย่างเทวปุตตมานะพวกจิตชั่วร้ายมันก็ยังแกล้งพระอรหันได้เรียกว่าเทวปุตตมานขันธมารมัดจุมา น, นสิ่งเหล่านี้ยังกระทบกระทั่งเข้ามาถึงธาตุถึงขันธพระอรหันได้แต่กิเลสมานนะอาภิสังคารมามความปรุงแต่งเนี่ยถูกทําลายไปโดยสิ้นเชิง จนถึงวันที่ท่านคืนธาตุคืนขันให้โลกนะมานทั้งห้าก็จะทำอะไรท่านไม่ได้อีกแล้ะมารจะมองไม่เห็นมานไม่สามารถเห็นได้นะว่าพระอราหันนิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่ถ้าเราภาวนาเข้าใจปรมัตนะเข้าใจความจริงโดยประมั์เนี้ยถึงขีดสุดก็จะไปสู่พระนิพพานก็พ้ทุกข์สิ้นเชิง ส่วนการเข้าใจความจริงโดยสมมุตินั้นจะทําให้เราอยู่กับโลกได้แบบไม่น่ารังเกียจโลกก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขนะมีขอบเขตของแต่ละคนอยู่อย่างโดยสมมุติเราเป็นลูกโดยสมมติท่านผู้นี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็สอนว่าลูกมีหน้าที่ต่อพ่อต่อแม่อย่างไงลูกศิษย์มีหน้าที่ต่อครูบาอาจารย์อย่างไง พ่อแม่มีลูกมีโดยสมมตินะจริงๆมันก็เป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองแต่พ่อแม่ก็มีหน้าที่ต่อลูกครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ต่อลูกศิษย์สามีกับพัญยามีหน้าที่ต่อกันเพื่อนกับเพื่อนมีหน้าที่ต่อกันเจ้าหนายกับลูกน้องก็มีหน้าที่ต่อกันฆรวาสกับพระก็มีหน้าที่ต่อกันมีหน้าที่กันเป็นคู่คู่ใครเคยเรียนเรื่องที่หก ถ้าเรียนนักทำตรีมีเรื่องทิฏกทิฏกก็คือการจัดระเบียบสังคมนั่นเองว่าแต่ละคนแต่ละคนซึ่งมีสถานะแตกต่างกันนะั้นควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติกับสมมุติโดยสมควรกับความเป็นสมมุติไม่ใช่บอกว่าพ่อแม่ไม่มีอะไรเงี้ยมีมีหน้าที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างนี้อย่างนี้พ่อแม่มีหน้าที่ปฏิบัติต่อลูกอย่างนี้อย่างนี้ งั้นเวลาที่เราเป็นชาวพุทธแท้เนี่ยจะไม่น่ารังเกียจภาวะทางจิตใจเราก็ไกลความทุกข์การเข้าใจความจริงโดยสมมุติก็ทำให้เราทำหน้าที่ของเราได้ถูกต้องท่านพุทธทาสชอบพูดใช่ไหมว่มาอะไรนะธรรมะคือหน้าที่ใช่ไหมมีหน้าที่งั้นเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆเรียนอย่ า, อาไปปนกัน เอกก็บอกอนัตตานัตตาอนัตตาแบบมิจฉาทิฏฐิแปลว่าไม่มีอะไรเลยขันห้าเป็นอนัตตาแปลว่าไม่มีขันหอานี่มิจฉาทิฏฐิขันห้าเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าไม่มีอนัตตาอย่าไปแปลมักง่ายว่าไม่มีนะไม่มีไม่ใช่คําว่านัตตาใช้นัตถิกะเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งเลย สมมุติก็มีนะไม่ใช่สมมุติไม่มีนะสมมุติก็มีอยู่เมื่อก่อนนี้หลวงพ่อเคยรู้จักคนคนหนึ่งนะฉลาดมากเลยเป็นพวกที่ประหลาดอย่างหนึง่งเขาเจะปฏิเสธกฎเกณฑ์ทั้งหลายเลยเยอะมากเลยนะอย่างขับรถไปเจอไฟแดงไม่เห็นจะต้องหยุดนี่มันของที่ตั้งขึ้นมาเองอ่างเงี้ยนะ แกจะเป็นพวกถ้าทางรัฐศาสตร์นะจะบอกเป็นพวกอนาคีอนาธิปไตยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะหือมนุษย์มีอิสรภาพสูงสุดนะแต่ชาวาพุทธแท้ๆนะเรารู้สมมุติรู้ปรมัตนะิปฏิบัติต่อสมมติอย่างถูกต้องปฏิบัติต่อปรมัตา์อย่างถูกต้องไม่องนันจะเป็นมิจฉาทิฏฐนะิเป็นมิจฉาทิฏฐิ บางคนนะบอกไม่ยึดถืออะไรเลยบุกไปตามสํานักครูบาอาจารย์นะไปปลดรูปภาพครูบาอาจารย์สํานักโน้นสํานักนี้เอามาเหยียบอะไรเงี้ยเพื่อจะสอนคนในสํานักอื่นๆนะบอกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยดีไม่ถูกเหยียบตายชาวพุทธไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกพระเจ้าไม่ได้สอนให้ทําอะไรสุดโต่งขนาดนั้นแค่ไปทําร้ายจิตใจคนอื่นนิดเดียวก็บาปแล้ว ใชมงั้นเราภาวนานะค่อยๆเรียนค่อยๆดูไปคำว่านัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอานัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอํานาจไม่เป็นไปตามปราณราปรารถนาอไเงี้ยไม่มีสิ่งซึ่งเป็นอัตตาปฏิเสธต่ออัตตาแปลได้หลายอย่างนะอานัตตาแปลได้ห้าแบบ ในตำล่านะแต่ ไ, ได้ห้ามแบบปฏิเสธต่ออัตตาเช่นเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราขันห้าเนี่ยแยกออกไปสิรูปรูปมันเที่ยงแท้ถาวร อ, อยู่ไหมมันก็ไม่เป็นใช่ไหมมันมีแล้วมันก็ไม่มีงั้นไม่มีอัตตาตัวตนถาวร อ, อย่างพวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่นะจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นชาวพุทธจริงหรอกอย่างเราเชื่อว่าจิตของเราเป็นอัตตา ถ้าร่างกายนี้ตายลงจิตดวงเดิมนี้แหละออกจากร่างไปเกิดใหม่นะเวลาจะเข้าพระนิพพานจิตดวงเดิมนี้แหละเดินทางไปเข้าพระนิพพานนะนี่มิจฉาทิฏฐิตัวร้ายเลยนะยืนยันว่ามีอัตตาตัวตนถาบลอนันะนั้นมันเป็นลัทธิของฮินดูลันะทธิของฮินดูเป็นลัทธิของอาตามันอาตามันก็คืออัตตานั่นเอง พระพุทธเจ้านั่นแหละปฏิเสธฮินดูนะปฏิเสธแต่ว่าไม่ใช่เขาไม่ดีนะพวกเทพพวกพรหมพวกอะไรมันก็มีจริงๆนะอไม่ใช่ว่าเราไปดูถูกเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูถูกเทวดาอย่างบางทีให้เราลรึกถึงเทวดาด้วยซ้ําไปนะเรียกเทวตานุสติเราลรึกถึงสอนให้อ่อนน้อมกับเทวดาด้วยนะ ให้ฝูกมิตรกับเทวดาเนี่ยท่านสอนนะท่านไม่ได้ให้ไปย่ายีคนอื่นนะไม่ใช่เป็นชาวพุทธก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเทพลมทั้งหลายนี่แหละจะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ช่วยก็ช่วยอย่างโลกโลกเรียกว่าไม่ใช่สารณะนะแต่ว่าไม่ใช่ศัตรูกันช่วยเหลือเกื้อกูล ก, กันทางโลกได้อย่างเรามีเพื่อนกันนะเราไม่ได้เอาเพื่อนเราเป็นสารณะนะ พ่อแม่เราก็ไม่ใช่สรณะเอาเป็นที่พึ่งเราไม่พ้นจากทุกข์จริงแต่พึ่งได้เป็นคราวๆนะพึ่งอย่างโลกๆกเนี่ยเราอย่าไปปฏิเสธอะไรโม้ซั่วนะมันเป็นวิชาทิฏฐิล้วนๆเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิเสธคําวอัตตาคือท่านคนพร้อมว่ากระทั่งจิตนั้นก็เกิดดับไม่มีอะไรเลยที่คงทนอยู่ในตัวเรานี้ จิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อไม่นานนี้เองก็มีคนมาถามหลวงพ่อเอา้าถ้าจิตเกิดดับเราก็ทำกรรมชั่วอะไรก็ได้สิใช่ไหมเพราะจิตที่ของเราตอนนี้ที่ทำกรรมชั่วตอนเนี้ยมันดับไปแล้วเนี่ยจิตดวงใหม่มันจะไปรับก็เรื่องของมันสินี่ก็มิจฉาทิฏฐินะก็พยายามจะตะแบงทำชั่วให้ได้อีกแหละ <laughs> จิตดวงหนึ่ง เกิดขึ้นดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปสืบเนื่องกันไปมันไม่ใช่ไม่สัมพันธ์กันจิตดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วมีอีกดวงหนึ่งมารับช่วงเนี่ยมันเหมือนเป็นพ่อแม่เหมือนเป็นลูกกันพ่อแม่ทําความดีไว้เยอะสะสมมรดกไว้เยอะจิตที่มารับช่วงมรดกเนะีมันก็สบายขึ้นมันไม่ใช่ไม่สัมพันธ์กัน มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันไปเหมือนพ่อแม่กับลูกนะงั้นจะบอกว่าว่าเรามีทรัพย์สมบัตินะเราผลานให้หมดเลยก็ช่างมันลูกเราทีหลังมันไปยอดแต่อยากเรื่องของมันพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นมันสุดโต่งไปหมดเลยความคิดเนี่ยมันทําให้คนสุดโต่งนะงั้นอย่าไปคิดมากพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจพวกมิจฉาทิฏฐิมาจากพวกคิดมากทั้งนั้นนะ พยายารู้สึกตัวนะดูกายทํางานดูใจทํางานดูจนเห็นความจริงเลยไม่มีอัตตาเนี่ยคำว่าอนัตตานะคือมันไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาถาวรในขณะที่พวกเราที่แกว้งป้ายว่าเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่นะัเชื่อว่าจิตวิญญาณของเรานี้เที่ยงถ้าคิดว่าจิตวิญญาณเที่ยงจิตวิญญาณนี้เป็นอัตตาตัวตนถาวร อ, อันนี้เป็นมิจฉาทิฐิ เพราะมองไม่เห็นความจริงไม่รู้หรอกว่าที่รู้สึกว่าเที่ยงนั้นเพราะว่ามันสืบต่อกันมาและอาศัยสัญญาเข้าไปจํำมันจําข้อมูลเก่าๆมันเหมือนคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เราใช้จนเก่าแล้วเราก็ transfer ข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ตัวใหม่คอมพิวเตอร์ตัวใหม่มันนึกไม่ออกหรอกว่ามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตัวเก่ามันก็รู้สึกมันก็ทํางานของมันอยู่อย่างนี้งนี่มันไม่มีสัญญา แต่สัตว์นั้นมีสัญญามันจําความรู้สึกที่ส่งทอดมาได้มันเลยรู้สึกตัวมันมีอยู่จริงๆนะคอมพิวเตอร์มันไม่คิดเนียไม่มีสัญญานะแต่มัน transfer ข้อมูลมางนะันจะท transfer วิบากมานะมีบากทั้งที่ดีและที่เหลวนียจะส่งทอดมานะค่อยเรียนนะศาสนาพุทธลึกซึ้งมากเลย ถ้าเข้าใจแล้วความทุกขก์จกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาฟังแล้วเหมือนยากแท้จริงง่ายมันยากปักคอกแท้ๆเลยเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเองแทนที่จะรู้ออกนอกนะคอยรู้ลงมาในกายในใจบ่อยๆรู้ก็รู้ได้ทุกคนแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองนะร่างกายนั่งอยู่รู้สึกเห็นในตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่เดิน ที่นอนนะที่ยืนที่หายใจออกหายใจเข้าที่กินอาหารที่ขับถ่ายนะดูมันเหมือนดูหุ่นยนต์มันทำงานดูมันดูคนอื่นทำงานไม่ใช่ตัวเราจิตใจมันก็ทำงานสืบเนื่องกันไปไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยวันหนึ่งแจ้งในปรมัติ์นะมีแต่ธาตุมีแต่ขันมีแต่ยตนะไม่มีคนไม่มีสั์ไม่มีเราไม่มีเขา หลังจากนั้นก็มีชีวิตที่โปร่งเบานะปฏิบัติต่อสมมุติโดยความเป็นสมมุตนะิถูกต้องปฏิบัติต่อประมันอย่างถูกต้องคือไม่ยึดถือปฏิบัติต่อสมมติก็คือคล้อยตามสมมุติไม่ได้ปฏิเสธสมมุตนะิแต่ไม่ได้ยึดถือสมมุติรู้ว่าทาไปอย่างนั้นแนหะทำเป็นกริยาไปอย่างนั้นเองนะอย่างครูบาอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ไปงั้นเไม่ได้คิดว่าลูกศิษย์ของเรา ไม่ใช่คิดว่าเราต้องรู้สิทธเยอะสอนไปโดยความเมตตากรุณาอะไรอย่างนั้นไปนค่อยฝึกนะแล้วก็จะแจ้งปรมาจาแจ้งในสมมุติไม่เพี้ยนหรอกถ้าขาดอะไรหนึ่งเพี้ยนแน่นอนเลยเชิญไปทันข้าวไปนิมนต์เลยครับ